เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่รมธุระที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมอกให้แก่พุทธศาสิกชนผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นำไปปฏิบัติเพื่อ จะได้รับประโยชน์สุขที่สูงที่ประเสริฐกว่าประโยชน์สุขของทางโลกธุระที่พระพุทธเจ้าสมงมอบให้กับพุทธศสนสะชนนี้มีอยู่สองประการด้วยกันคือ 1. คันธธุระ 2. วิปัสสนาธุระ นี่คือทุระหรือหน้าที่การงานของพุทธศาสนิกชนที่พึงจะปฏิบัติถ้าอยากจะถือว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงพุทธศาสนิกชนแต่ชื่อหรือแต่ในทะเบียนบ้าน แต่เป็นพุทธศาสนิกชนแท้ๆก็ต้องทำทุระทั้งสองประการนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุถึงทุระสองอย่างนี้อย่างแรกที่เรียกว่าคันถักทุระ แปลว่าการศึกษาเล่าเรียนพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนวิปสัสนาธุระแปลว่าการนําเอาพ่อธรรมคำสอนพพระพุทธเจ้าที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติเพราะการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถ ทำให้ผลปรากฏขึ้นมาได้ต้องมีการไปปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนเป็นสถาบันการศึกษาเหมือนสถาบันการศึกษาทางโลกที่นักเรียนนักศึกษาเมื่อได้สมัครเข้าเรียนแล้วต้อง ไปเรียนทุกวันถ้าหนี้เรียนหรือขาดเรียนโอกาสที่จะสอบตกโอกาสที่จะถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็จะมีมากโอกาสที่จะเรียนจบก็จะมีน้อยฉันใดทุระของทางศาสนาก็เป็นเหมือนทุระของนักเรียน ที่จะต้องไปโรงเรียนอยู่อย่างสม่ำเสมอโรงเรียนของทางศาสนานี้ก็มีเปิดให้เรียนอาทิตย์ละวันเดียวเท่านั้นซึ่งในสมัยปัจจุบันเราสามารถเลือกเรียนได้ถึงสวันด้วยกันเช่นวันพระวันธรรมสวนะัะนี่ก็เป็นวันหนึ่งที่เราสามารถมาวัดเพื่อมาเรียน และมาปฏิบัติได้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้เนื่องจากวันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดคือวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมที่ต้องไปทํางานก็ไม่สามารถมาวัดในวันพระได้ก็สามารถมาวันอื่นแทนได้เช่นในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ญาติโยม ไม่ต้องไปทำงานก็มาแทนวันพระได้มาวันเสาร์วันอาทิตย์แทนอย่างที่ญาติโยมได้มากันในวันนี้ถือว่าได้มาทำธุระของพุทธศาสนิกชนแล้วในเบื้องต้นก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากการแสดงพระธรรมเทศนา อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาเป็นการลริ่มเรียนแล้วและเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพทจารณาเช่นเรานำเข้าของต่างๆอาหารขาวหวานมาถวายพระภิกษุสา ม, มเณรอย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้ทาน ซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนให้ทานอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนี่ก็ถือว่าได้มาทำทั้งสองทุระคือทำคันธะทุระและวิปัสสนาทุระถ้าได้ทำไปเรื่อยๆก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนทางการเรียนรู้ทางโลกมีแบ่งไว้เป็นชั้นๆมีชั้นอนุบาลมีชั้นประถมมีชั้นมัธยมและมีชั้นอุดมศึกษาเลื่อยไปจนถึงขั้นสูงสุดระดับปริญญาเอกก็มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อเราได้เข้ามาวัดได้เข้ามาเรียนรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเราก็ทำไปเมื่อทำไปแล้วเราก็จะได้ขยับขึ้นไปชั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับชั้นแรกเรียกว่าทานคือการให้เรามีอะไรที่เราพอจะให้ผู้อื่นได้ เราไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นเอาไปให้กับผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนที่เขายังขาดแคลนอยู่ก็จะทำให้เขาได้รับประโยชน์และเราก็จะได้รับประโยชน์ทางด้านาศาสนาทางด้านจิตใจคือจิตใจเราจะสูงขึ้น จะสะอาดขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นเพราะการให้นี้จะไปชําระความเห็นแก่ตัวไปชําระความตนันนีไปชําระความโลภที่มีอยู่ในใจให้เบาบางลงไปใจของเราจะเจริญจะมีความสุขได้ต้องตัสจาความ เห็นแก่ตัวความตนันนีความโลภเพราะถ้ามีความตนันนีความโลภความเห็นแก่ตัวอยู่ในใจแล้วจะทำให้ใจคิดไฝ่ต่าคิดอยากจะทำเพื่อตัวเองไม่คิดถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นและคิดอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งความอย่างนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดความอิ่มความพอใจแต่กลับจะทำให้เกิดความทุกข์ความหิวความต้องการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดและจะ พาให้ไปสู่การกระทำที่เสียหายต่อไปได้ถ้าอยากจะได้อะไรมากๆแล้วไม่ได้ด้วยวิธีสุ ด, สดจริตก็จะหามาด้วยวิธีทุจริตดังที่เราได้ยินได้ฟังอยู่มาตลอดเวลาคนที่ไปทำการทุจริตนี้เนื่องจากว่าเขามีความโลภมีความอยากมาก แล้วเมื่อเขาไม่มีความสามารถที่จะมาหามาด้วยความสุจริตเขาก็ไปหามาด้วยวิธีทุจริตทำผิดศีลผิดธรรมทำผิดกฎหมายแล้วก็ต้องมีความทุกข์กวนกวายหวาดกลัวกลัวว่าจะถูกจับเข้าไปลงจับไปลงโทษนั่นเองหรือถูกผู้อื่น ประนามถูกผู้อื่นรังเกียจไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือเหตุที่พวกเราต้องทําบุญให้ทางเพื่อเราจะได้มีจิตใจที่มีความสุขถึงแม้เราจะไม่มีอะไรมากมายแต่เราจะไม่มีความอยากได้ไม่มีความโลภเรามีความพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ เนื่องจากทานที่เราให้ไปนี้ทำให้เรามีความอิ่มใจมีความพอใจเหมือนกับได้รับประทานอาหารเวลาที่เราได้รับประทานอาหารเต็มที่แล้วเราจะไม่หิวไม่อยากได้อาหารอีกใจของเราก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันเพียงแต่อาหารของใจต่างจากอาหารของกาย อาหารของกายก็เป็นพวกกับข้าวกับปลาอาหารขค้าหวานต่างๆแต่อาหารของใจนี้คือทานคือการให้นี่เองถ้าเราให้แล้วใจของเราจะมีความพอใจมีความอิ่มใจมีความสุขเราก็จะไม่ต้องการอะไรมากกว่าที่จําเป็นเพราะเราไม่มีความโลภ เวลาเราทำให้ทำบุญให้ทานแล้วความโลภจะถูกกาจัดไปความเห็นแก่ตัวก็จะถูกกำจัดไปความตะหนีก็จะถูกกำจัดไปก็จะทำให้เราเป็นคนใจกว้างใจบุญใจกุศลเป็นคนที่คำนึงถึงความรู้สึกความเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาเราทำอะไรเราจะระมัดระวังไม่ให้ไปกระทบ กับความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นก็จะทำให้เรามีความเมตตาเกิดขึ้นมามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและมีความกรุณาคือความสงสารในความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นเราจะคิดแต่จะให้คิดแต่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่คิดที่จะหามาเพื่อตัวเราเองไปตลอด สิ่งที่เราหาให้กับตัวเราก็เพียงแต่สิ่งที่จำเป็นต่อการครองชีพเท่านั้นถ้าเรามีเหลือเฟือพอกินพอใช้แล้วเราก็จะใช้เวลานี้ไปกับการทำงานทางด้านสาธารณประโยชน์ทำการคุศลต่างๆไม่ว่าจะกับพระาศาสนาก็ดีหรือกับสถาบันต่างๆทางโลกก็ดี เช่นโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นต้นเพราะโลกเหล่านี้มีความทุกข์ยากเดือดร้อนกันอยู่ทั่วไปและการช่วยเหลือผู้อื่นนี้จะทำให้เราได้ ย, ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเข้าสู่ระดับศีลคนที่มีแต่ความปรารถนาดีมีความสงสารผู้อื่นนั้น เป็นคนที่จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะเป็นคนที่ไม่ชอบกระทำการทุจริตจะชอบตั้งอยู่ในการกระทำที่สุดเจริญทำอะไรจะไม่ให้ไปผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเพราะรู้ว่ามันไม่ดีทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นผู้อื่นก็จะได้รับการเดือดร้อน ตนเองก็ได้รับความวุ่นวายทางด้านจิตใจมีความหวาดกลัวต่างๆนานาต่อผลที่ตนเองได้แกระทำเอาไว้นั่นเองเมื่อเราได้ทำทานอย่างเต็มที่แล้วขั้นต่อไปก็จะพาให้เราขึ้นไปสู่ขั้นศีลโดยโดยปริยายโดยไม่ต้องบังคับ โดยไม่ต้องมาคอยบังคับว่าวันนี้จะรักษาศีลกี่ข้อเพราะในใจมันมีศีลอยู่ในใจแล้วมันไม่อยากจะทำอะไรที่เสียหายแก่ผู้อื่นนี่แหละเป็นศีลที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราที่ได้พัฒนามาจากการให้ฐานนี้เองถ้าเรายังเป็นคนตนีมีความโลภมีความเห็นแก่ตัว เราจะรักษาศีลได้ลําบากได้ยากถึงแม้เราจะมาวัดมาสมาทานศีลหศีลแปหรือบวชเป็นพระมีศีลสองร้ข้อก็ตามเถิดเราจะรู้สึกว่ามันรักษายากมากแทบจะรักษาไม่ค่อยได้เลยถ้าใจเรายังมีความโลภมีความอยากมีความเห็นแก่ตัวมีความตนันนิอยู่รักษาไปไม่นานก็ล้มและ เหลวไปหมดรักษาไม่ได้เพราะไม่มีพื้นฐานที่จะรับรองการรักษาศีลนี้เองเหมือนกับการสร้างบ้านเวลาที่สร้างตึกอาคารสูงๆพื้นดินที่รองรับตึกอาคารนี้ต้องมีความแข็งแรงพอถึงจะรับอาคารน้าหนักของอาคารได้ถ้าเกิดดินอ่อนไปเวลาสร้างตึกขึ้นไปแล้ว เด็กไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสุดต้องเอียงไปอย่างแน่นอนแล้วต้องล้มลงมาในที่สุดเพราะว่าพื้นดินที่รองรับอาคารนี้ไม่มีกําลังเพียงพอเขาจึงต้องมีการตอกเสาเข็มเพื่อเป็นการเสริมกําลังของดินเพื่อจะได้รองรับน้ําหนักของตัวตึกของตัวอาคารได้ เช่นเดียวกับการสร้างบ้านหรือเรือนใจที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมานี้ก็ต้องอาศัยรากฐานที่แข็งแรงก็คือฐานนี้เองเป็นรากฐานของการสร้างเรือนใจคือศีลสมาธิและปัญญา ที่จะต้องสร้างตามมาต่อไปในเบื้องต้นเราจึงต้องตอกเสาเข็มทำดินให้แน่นเราต้องพยายามทำทานให้มากจนติดเป็นนิสัยไม่อยากจะคิดเก็บเงินเก็บทองเก็บข้าวของต่างๆไว้เกินความจําเป็นมีมากมีน้อยก็จะเอาไปทำบุญให้ทางอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะมี สีนขึ้นมาโดยอัตโนมัติอัตโนมัติคือจะรู้สึกว่าไม่อยากจะทำอะไรให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่อยากลักทรัพย์ไม่อยากช่อโกงไม่อยากพพฤตผิดตเวนีไม่อยากพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงไม่อยากเสพสุรายาเมาเพราะไม่มีความจําเป็นต้องเสพเพราะใจมีความสุขนั่นเอง คนที่เสพสุรายาเมาเพราะอะไรเพราะมีอารมณ์หงุดหงิดไม่สบายใจทุกข์กังวลกับเรื่องต่างๆก็เลยใช้สุราเป็นเครื่องดับความทุกข์ความกังวลซึ่งก็ไม่ได้ดับได้อย่างแท้จริงเพียงแต่ดับชั่วคราวในขณะที่เสพไปแต่ก็มีผลเสียหายตามมามากมายจะทําให้คนเสพนั้นเสียคนได้เสียสติ ร่างกายก็เสียสุขภาพเสียเงินเสียทองเสียเวลาและอาจจะเสียสิ่งที่ตนรักไปก็ได้เพราะเมื่อเสพโจรจนเกิดอาการบุญเมาก็จะไม่สามารถควบคุมบังคับการกระทําของตนได้ก็อาจจะไปกระทาทำร้ายคนที่ตนรักได้อย่างง่ายดดย อย่างที่เรารู้กันได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอคนที่เมาสุราแล้วมักจะทุบตีสามีภรรยาบุตรธิดาของตนเลือย่าสนิทมิสหายเพราะเขาเป็นคนใกล้ตนหรือไม่เช่นนั้นก็ไปทะเลาะวิวาทไปทำร้ายผู้อื่นจนในที่สุดต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเข้าไปขังคุกขังตารางในตารางต่อไป ถ้าคนทำบุญให้ทานอย่างสม่ำเสมอแล้วจะไม่มีปัญหาทางด้านจิตใจมากนะจะมีอารมณ์ดีอยู่เสมอจะมีความสบายใจอยู่เสมอจึงไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาแก้ปัญหาของใจวิธีที่จะแก้ปัญหาของใจนะั้นในเบื้องต้นก็คือการให้ทานนี่แหละ ขอให้เราทำใจให้กว้างไว้อย่าไปคิดสะสมสมบัติเท่าของเงินทองเพราะมันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจแต่อย่างไรและเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้หามาได้มากกองเท่าภูเขาตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปใจไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แม้แต่บาทเดียวแม้แต่ชิ้นเดียวเอาไปไม่ได้เลย เพราะว่าใจเป็นนามธรรมส่วนสมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นรูปธรรมสิ่งที่จะจะเอาไปได้ก็คือบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานนี้เองการให้ทานเมื่อให้แล้วก็จะทําให้จิตใจมีความสุขความสุขใจนี้คือบุญคือกุศลที่เรามาทําบุญกันนี้ก็เพื่อที่จะทําให้ใจเรามีความสุข มีความสบายใจมีความอิ่มใจนั่นเองเพราะเมื่อเรามีความอิ่มใจแล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกเราก็กลับไปบ้านไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับลูกทำธุระอะไรที่ต้องทำในบ้านอยู่อย่างมีความสุขถ้าเราไม่ทำบุญให้ทานแล้วเรามักจะต้องออกไปหาความสุขภายนอก บางทีก็แยกกันไปคนละทางเพราะชอบคนละอยา่างสามีก็ไปทางลูกก็ไปทางแม่ก็ไปทางไปคนละทางกันเพราะต่างคนต่างหาความสุขที่ไม่เหมือ น, นกันครอบครัวก็เลยไม่มีความสามัคคีกันไม่มีความรักมีความปรองดองกันมีแต่จะแตกแยกออกจากกันดังที่เราเห็นกันอยู่ในสังคมที่เจริญ ที่จเจริญทางด้านวัตถุจะเป็นอย่างนั้นครอบครัวนี้จะแตกแยกกันไปลูกเต้าก็จะแยกออกจากพ่อจากแม่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่นานก็ต้องหย่าล้างกันไปเพราะว่าใจไม่มีความสุขนั่นเองใจไม่มีบุญมัวแต่หาพิษหาภัยมาให้แก่ใจโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าเป็นความสุขแต่สิ่งที่หามานั้นล้วนเป็นพิษทั้งนั้น เหมือนยาเสพติดความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี้เป็นเหมือนกับยาเสพติดเศษเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่ทำให้ความเห็นแก่ตัวน้อยลงไปไม่ทำให้เห็นความโลภน้อยลงไปมีแต่จะทำให้มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีความโลภมากขึ้นอยากจะเที่ยวตามความอยากของตนมากขึ้น อยากจะดูหนังอยากจะฟังเพลงอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งทำให้ตนเองนั้นไม่สามารถอยู่กับคนอื่นได้จะกลายเป็นคนที่ ว, าว้าแหวะถึงแม้จะมีเงินทองมากมา ย, ายก่ากองแต่จะไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงเท่าไหร่เพราะไม่ยอมให้ทานเพื่อนฝูง ม, มาก็ไม่ยอมเลี้ยงเขาบ้าง มีอะไรก็ไม่แบ่งให้เขาบ้างอย่างนี้คิดแต่เอาแต่ความสุขใส่ตนเองอยู่เรื่อยๆก็เลยแทนที่จะได้ความสุขกลับได้ความทุกข์ขึ้นมาแล้วพอมีความทุกข์ก็ยิ่งต้องหาวิธีดับทุกข์ด้วยวิธีการที่เป็นพิษเป็นภัยเพิ่มมากขึ้นเบื้องต้นก็เดิมสุราต่อไปก็จะใช้ยาเสพติดและในที่สุดก็จะต้องฆ่าตัวตายไปในที่สุด เพราะตนเองไม่มีสมรรถภาพที่จะสามารถอยู่อย่างปกติได้นั่นเองนี่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักวิธีให้อาหารแก่ใจไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขให้กับใจเพราะความตนีนี้จะคอยคอยปิดกัน้นไม่ให้เราทำบุญให้ทานทุกครั้งเวลาเราจะให้ทานนี้จะรู้สึกเสียดายขึ้นมาทันทีเลย ทุกครั้งที่เราเอาเงินไปซื้อสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจเรากับไม่เห็นว่าเสียดายเลยทุกครั้งจะเอาเงินไปซื้อเหล้ามาดืม่มไปซื้อยาเสพติดไปซื้อบุหรี่มาสูบไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับใจมันมันทำให้ใจนี้ต้องเป็นท่าของสิ่งเหล่านี้ต้องคอยแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่รู้จัก จบจากสิ้นไม่รู้จักคำว่าพอแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับใจกับไปเสียดายกับไปตัตนฑ์เอาเงินไปทำบุญนี้กับเสียดายหารู้ไหมว่าเป็นเหมือนกับเอาเงินไปซื้อข้าวมาให้ร่างกายรับประทานกับไม่ไม่ซื้อข้าวกับไปซื้อยาเสพติดมามาเสพแล้วผลเป็นยังไง ร, ร่างกายก็ผองแห้งแรงน้อยติดโรคติดภัย และตายไปในที่สุดใจของเราก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ให้อาหารของใจก็คือการให้ทานนี้เองอย่างนั้นขอให้เราอย่าหวงอย่าเสียดายเพราะยังไงยังไงมันก็ต้องจากเราไปสักวันหนึ่งถ้ามันจากไปด้วยความพร้อมของเราด้วยความเย็นดีของเราด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเราจะมีความสุขใจมีความอิ่มใจ และเราจะเจริญขึ้นไปเราจะขยับจากขั้นอนุบาลขึ้นสู่ขั้นปฐมได้คือขเข้าสู่การเป็นผู้มีศีลได้คนที่มีศีลนี้เป็นคนที่ประเสริฐ ก, กว่าคนที่ไม่มีคนที่มีศีลนี้ไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะมีแต่คนเคารพนับถือมีคนยินดีต้อนรับเสมอต่างกับคนที่ไม่มีศีล เป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะเคารบนับถือต้อนรับเพราะเป็นพิษเป็นภัยกับผู้อื่นนั่นเองไม่มีศีลนี่ไปอยู่กับใครถ้าเขาเผลอก็จะลักขโมยเอาข้าวของของเขาไปถ้าเขาเผลอก็จะไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นนี่คือลักษณะของ คนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลมีความแตกต่างกันความเจริญจิตใจก็วัดกันที่ตรงนี้แหละคนที่เจริญกว่าก็คือคนที่มีศีลมากกว่าคนที่ไม่มีศีล น, นั่นเองอย่าไปหลงติดกับความเจริญในทางด้านวัตถุนั่นไม่ใช่เป็นความเจริญหาเงินหาทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านแต่หามาโดยวิธีที่ไม่สุจริตสู้เป็นขอทาน แต่ไม่หาเงินมาโดยวิธีทุจริตจะดีกว่าจะสูงกว่าเช่นพระนี่ก็เป็นขอทานหาหาเลี้ยงชีพด้วยการไปบินทบาทแล้วแต่ผู้ที่เขาจะให้เขาจะให้อะไรก็รับมาตามที่เขาให้แต่ไม่ไปโกไม่ไปทำไม่ไปช่อโกไม่ไปลักไปขโมยขอผู้อื่นมาถึงแม้จะไม่สมบัติเพียงไม่กี่ชิ้นแต่ เป็นผู้ที่เจริญกว่าสูงกว่าผู้ที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเสียอีกนี่คือเรื่องของความเจริญที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่จำนวนของเงินทองไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งว่าสูงหรือต่ำไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคนจัดระเสริญยบย่องเยงินยอ่ยอมากน้อยเพียงใด ขอให้เราดูตรงนี้อยู่ที่ศีล น, น, นี้เป็นหลักขอให้เรารักษาศีลให้ดีถ้าเราอยากที่จะเจริญก้าวหน้าตามทางที่ทศเจ้าได้ดำเนินไปเราต้องก้าวจากทางไปสู่ศีลศีล น, น, นี้เป็นเหมือนขั้นปฐมเมื่อเรารักษาศีลมีศีลแล้วเราจะเห็นว่าใจของเรามีความสงบมีความสุข เราก็จะรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมายก่ายกองไม่ได้อยู่ที่การมีตำแหน่งสูงแต่อย่างใดแต่อยู่ที่ใจที่มีความสงบไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความอยากจากกับสิ่งต่างๆเราก็ได้มาสองขั้นแล้วขั้นแรกก็ได้มาจากการให้ทาน ขั้นที่สองก็ได้จากการรักษาสิ่งแต่เรารู้ว่าใจของเราก็ยังมีความอยากหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นอีกเราต้องพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปกว่า น, นี้อีกเพราะสิ่งที่เราต้องกังวลนี้เป็นสิ่งที่เราไปแก้ไม่ได้ไปห้ามไม่ได้เช่นความแก่ความเจ็บความตายของเรานี้เราห้ามไม่ได้ แต่สิ่งที่เราจะทำให้ใจของเราไม่กังวลได้มีอยู่นั่นก็คือการภาวนานี่คือการกรยับเข้าสู่การศึกษาขั้นมัธยมและอุดมศึกษาต้องเข้าสู่ขั้นภาวนาถ้าเราอยากจะได้ความสุขปราศจากความทุกข์ความกังวลใจกับสิ่งต่างๆกับเรื่องต่างๆที่ยัง มากระทบกับเราเช่นร่างกายของเรายัางต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือร่างกายของญาติสนิทมิตเสหายของคนที่เรารักก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่กังวลไม่สับสนสิ่งที่จะทำได้ก็คือการภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบ ควบคุมจิตใจให้สงบด้วยสติให้ใจอยู่กับอารมณ์ที่ทำให้ใจสบายเช่นให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเพราะเมื่อใจอยู่กับพุโทโธแล้วใจก็จะไม่คิดถึงเรื่องที่สร้างความทุกข์ความกังวลใจไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายของตนก็ดีของผู้อื่นก็ดี ถ้าเราคิดแต่พุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่รู้สึกกังวลกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายและเมื่อถึงเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ไม่ทำให้ใจของเราเดือดร้อนเพราะใจของเราไม่ไปกังวลกับมันนั่นเองใจของเราอยู่ในความสงบอยู่กับพุโทโธหรือไม่เช่นนั้นก็อยู่กับความจริงยอมรับว่าโลกเรานี้เป็น โลกที่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดมีการตั้งอยู่มีการดับไปเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองเป็นร่างกายก็เป็นเช่นเดียวกันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดผ่าจากกันนี่คือการเจริญปัญญาสอนใจให้ยอมรับความจริงนี้ เมื่อใจอยอมรับแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆปล่อยวางให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเรื่องของเขาใจก็จะไม่ทุกข์ไม่กังวลกับการพัดพลาดจากของสิ่งต่างๆไปใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดเพราะมีภาวนาคือมีสมาธิความสงบและมีปัญญาความฉลาดที่คอยสอนใจให้ปล่อยวาง ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดไม่ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอะไรเพราะไปห้ามไม่ได้นั่นเองความแก่ความเจ็บความตายเราห้ามไม่ได้การสูญสลายการดับของสิ่งต่างๆเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความทุกข์ความกังวลใจเราห้ามได้ด้วยสมาธิด้วยพุทโธพุทโธด้วยปัญญาด้วยอนิจจังทุกขงังอนัตตา ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่เราควบคุมบังคับได้ไม่มีอะไรเป็นของเรานี่แหละคือการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่ที่การภาวนานี้โดยเริ่มต้นจากการศึกษาขั้นอนุบาลคือการให้ทานแล้วเข้ามาสู่ขั้นปฐมคือการรักษาสิล์ แล้วเข้ามาสู่ขั้นมัธยมและอุดมศึกษาคือการภาวนาทำสมาธิและเจริญปัญญาทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ทำให้เราได้เรือนใจที่จะปกป้องคุปครองรักษาใจให้อยู่ปราศจากความทุกข์ไปตลอดอนันตกานี่คือเรือนใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาให้แก่พระ อ, องค์แล้ว แล้วจึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่มีศรัทธาพร้อมที่จะปฏิบัติตามจึงขอให้เราพยายามทำหน้าที่ของศาสนิกชนทำทุระของศาสนิกชนนี้ให้สมบูรณ์เป็นเหมือนกับเด็กทักเรียนที่ตั้งใจไปโรงเรียนทุกวันไม่หนีโรงเรียน และเมื่อไปโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนไม่ทะเลทลัยคุยกันเล่นกันในห้องเรียนฉันใดเมื่อเรามาวัดแล้วก็ขอให้เราตั้งใจมาทำหน้าที่ของเราตั้งใจฟังเทศฟังธรรมตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาสิงบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อเราจะได้บรรลุถึงผลอันเลิศอันประเสริฐคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง การได้เรื่อนใจมาปกป้องคุ้มครองรักษาใจให้อยู่ไปมิอย่างมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์จึงขอฝากเรื่องของธุระของพุทธศาสนิกชนนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอย ติดไว้เพียงเท่านี้